ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินนยะสังหะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาขโมแปลเรื่องที่ยี่สิบเจ็ดอุปชาัยยาริวัตตวินิชยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของอุปชัยยวัตเป็นต้น ก็ในมาติกานี้ว่าวัดพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ชื่อว่าวัดนี้มีหลายอย่างคืออุปชายวัดหนึ่งอาจารยวัดหนึ่งอาคารตุกวัดหนึ่งอาวาสิกวัดหนึ่งคมิกวัดหนึ่งพัดตัวัดหนึ่งปินดาจาริกวัดหนึ่งอารัญยิกวัดหนึ่งเสนาสนวัดหนึ่งชาตากระวัดหนึ่ง วัดจักกุดีวัดหนึ่งอันนี้ก็ขาดสัตวิหาริกวัดแล้วก็อันเตวาสิกวัดซึ่งเป็นวัดที่คู่กับอุปชาตเพราะว่าอุปชาติก็มีหน้าที่จะต้องแนะนําสั่งสอนคร่ำสอนสัตวิหาริกสัตวิหาริกก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลอุปธรรมอุปธรรมอุปชาส่วนอาจารย์ก็ต้องแนะนําอันเตวาสิกอันเตวัสิกก็ต้องเข้าไปอุปธาอุปธรรมแก่อาจารย์ข้าวัดทั้งหมดจะมี สี่วัดก็าเรียกว่าขันธวัดหรือบางที่ก็เรียกว่ามหาวัดแต่ควจริงแล้วก็เป็นขันธวัดสิบสี่มหาวัดแต่สิบสองบางที่ก็แสดงกลับกันในบรรดาวัดเหล่านั้นอันดับแรกพึงสร้างอุปชัยวัดดังต่อไปนี้สัธติวิหาริกพึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถอดรองเท้าห่ผมผ้าชวิงบาแน้วถวายไม้ชารฟันน้ำล้างหน้าแก่พระอุปชา ในการถวายไม้ชมระาฟันนั้นสถิติวิหาริกผู้เมื่อจะถวายไม้ชมระาฟันพึงน้อมไม้ชมระาฟันสามขนาดคือขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กจากสามขนาดนี้ท่านถือเอาขนาดใดครบสามวันตั้งแต่วันที่สี่ไปพึงถวายขนาดนั้นเท่านั้นถ้าว่าท่านถือเอาตามมีตามได้ไม่มีกำหนดลงไปต่อไปได้ชนิดใดพึงถวายชนิดนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นเช้าตรูนก็มีการปฏิบัติข้อวัดต่ออุปชาก็ต้องเอาไม้ํมราฟันน้ำล้างหน้าไปถวายในเช้าตรู่สำหรับไม้ํมราฟันก็เป็นไม้ทางพิษสังเอาไม้คนทาเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่ามียางที่เป็นยาด้วยเมท่อนหนึ่งแล้วก็มาทุบที่หัวทุบที่หัวเป็นแบนๆให้หนึ่งเป็นเส้นใยแล้วก็เํามาเจียบเหล่าที่ปลายให้แหลมๆไอ้ตัวที่ใหญ่ๆนั่เอาไว้สี เป็นเส้นใหญ่ตรงน้นที่เอาทุบด้วยหินเอาเชือกผูกปลายหน่อยหนึ่งแล้วก็เหลือปลายไว้แล้วก็ทุบทุบให้มันแหลกตรงนั้นก็จะได้ไว้สีฟันแล้วก็ที่ปลายเหลาให้แหลหมมันือนกับเอามาเจียบเอาผ่าเป็นชิ้นๆนี่นี่นี่ชิ้ น, น, น, นแล้วก็มาเหลาให้แหลมที่ปลายก็ไว้แพะฟันแล้วก็ที่ปลายด้านหนึ่งแหลกๆเอาไว้สีฟันจะทําเป็นขนาดขนาดเดี๋ยจะมีแสดงเอาไว้ ว่าไม้สีฟันนั้นอย่างสั้นก็ไม่ตํากว่าสี่นิ้วยางยาวก็ไม่เกินแปดนิ้วเพราะว่าถ้าสั้นกว่าสี่นิ้วเดี๋ยวมันจะหลุดเข้าคอไปยาวกว่าแปดนิ้วเดี๋ยวก็เอาไปตะยีเอาไปป้าสามัญเรนก็ไม่เหมาะสมถ้าว่าท่านถือเอาตามีตามได้นั้นก็สมวันสาวันก็ไม้สีฟันสามขนาดขนาดสั้นขนาดกลางขนาดยาวท่านถือเอาอย่างไหนสามวันถ้าถือเอาอย่างนั้นก็ตั้งแต่ ว, วันที่สิบเป็นต้นไปก็ให้เอาขนาดนั้น ไปถวายแต่ว่าท่านใช้อย่างไหนก็ได้ไม่เลือบกอ็ได้อย่างไหนมาก็ไปถวายอย่างนั้นนั่นแหละแม้เมื่อตัดสีวิหาริกผู้จัดถวายน้ําล้างหน้าพึงน้อมทั้งน้ําเย็นและน้ําร้อนท่านใช้อย่างใดจากน้ำสองอย่างนั้นครบสามวันตั้งแต่วันที่สี่เป็นต้นไปพึงถวายน้ําล้างหน้าชนิดนั้นเท่านั้นถ้าท่านใช้แม้ทั้งสองอย่างพึงนําเข้าไปถวายทั้งสองอย่างพึงตั้งน้ําไว้ในที่ล้างหน้า แล้วพึงกว่าตั้งแต่วัดจักกุดีมาเมื่อพระเถระไปวัดจักกุดีพึงกว่าบริเวณได้ประการอย่างนี้บริเวณจะเป็นของไม่ว่างพึงแต่งตั้งอาสนะไว้เมื่อพระเถระยังไม่ออกจากวัดจักกุดีทีเดียวก็คือเข้าห้อง z o o ก็แต่งตั้งอาสนะไว้ให้เรียบร้อยเมื่อท่านทําสรีระกิจเสร็จแล้วมานั่งบนอาสนะนั้นถ้ายาคูมีพึงล้างภาชนะแล้วน้อมยาคูเข้าไป เมื่อพระอุปชาดื่มยาคูแล้วพึงถวายน้ํารับภาชนะมาถือต่าๆอย่าให้กระทบกันล้างให้สะอาดแล้วเก็บไว้เมื่ออุปชาลุกแล้วพึงเก็บอ่งชนะถ้าที่นั้นรกเกลื่นปลนไปด้วยหยากเยื่อบางอย่างพึงกวาดบริเวณนั้นเสียแต่ถ้าไม่มีหยากเยื่ออื่นมีแต่หยดน้ําควรเช็ดบริเวณด้วยมือมีอผ้ากรพานเช็ดไม่มีผ้าก็มือเช็ดก็ได้ท่าเป็นหยดน้ําเท่านั้น ถ้าอุปชาประสงค์จะเข้าบ้านพึงถวายผ้านุ่งพึงรับผ้านุ่งผัดมาพึงถวายประกตเอวพึงซ้อนสังฆาติเป็นชั้นถวายแสดงว่าเวลาที่อยู่ในวัดนี่ท่านก็ใช้ผ้านุ่งผัดหกนุ่งแล้วก็ไม่ได้คาดประคตเอวเราก็อาจใช้เชือกผูกหรอกือไม่ต้องใช้เชือกผูกแต่ว่านุ่งแน่นๆไม่ต้องใช้เชือกผูกก็ได้ส่วนใหญ่ก็เห็นหลายท่านก็ใช้เชือกผูกแต่ว่าไม่ได้คาดประคตเอวหรอกเราจะบิณฑบาตถึงจะคาดประกดเอวเข้าบ้าน พึงซ้อนสังขติเป็นชั้นถวายสมัยนี้ก็ไม่ใช่นิยมที่จะเอาสังขติเข้าบ้านกันแล้วก็ไม่นิยมจะซ้อนเพราะว่ามันร้อนตัืว่าหน้าหนาวนี่ก็เอาซ้อนได้สังขติสองชั้นจวันชั้นหนึ่งพรมแล้วก็นาพอสมควรพึงล้างบาดถวายทั้งที่ยังเปียกน้ําอยู่คือล้างบาดแล้วเนี่ยไม่ต้องเช็ดให้แห้งเพราะว่าเอาผ้ามาเช็ดเนี่ยผงหรือว่าใ ย, ยที่ผ้ามเนี่ยจะมีมันก็จะติดที่บาดเพราะฉะนั้นก่อนเช้าเนี่ย ก็เอน้ํามากรอกบาดเอามาใส่บาดแล้วก็แขวนไปแขวนมาให้ฝุ่นผงวัสดุผ้าเล็กๆมันก็ลอยอยู่ที่น้ําแล้วก็เทน้ําทิ้งเทน้ําทิ้งมันก็จะเหลือน้ําเป็นหยดๆอยู่ในนั้นบ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าพระภิกษุขี้เกียจเช็ดแต่ว่าถ้าเช็ดแล้วพวกผงฝุ่นมันก็จะติดอยู่ในบาดนั้นก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเช็ดให้เปียกน้ำนั่นแหละมันก็จะเป็นหยดๆอยู่นะก็ไปเททิ้งให้สะเด็ดน้ําแค่นั้นก็พอ ถ้าอุปชาปรารถนาจะให้เป็นปัจฉาสมณะพึงปกปิดมณฑลสามนุ่งให้เป็นปริมณฑลก็คือให้เป็นพระพิตูตตามหลังไปนั่นเองปัจฉาสมณะแล้วคาดประกดเอวโฮมสังคาติทำเป็นชั้นกลัดลูกดมลูกดมก็ที่แข็งแล้วลูกดมที่คอนะั้นไม่ได้แสดงไว้ว่าจะต้องให้กลับแล้วก็ไม่ได้แสดงไว้ว่าจะต้องมีลูกดมที่คอด้วยแต่ลูกดมในที่นี้ป้องกันเวลาที่ลมพัดแล้วมันจะเวิกขึ้นมา ถือบาทที่ล้างแล้วไปเป็นปัจชาสมณะของอุปัชาไม่พึงเดินให้ห่างนักไม่พึงเดินให้ชิดนักก็คือเดินสามารถที่จะมีคนหรือว่าพระวิสุทธ์เดินลอดไปได้ช่องว่างแค่นักเท่า น, นี้เรียกว่าไม่ห่างนักไม่ชิดนักก็ในเรื่องการเดินห่างนักเดินใกล้นักนี้มีความว่าถ้าด้วยย่างเท้าเพียงก้าวเดียวหรือสองก้าวจะไปถึงอุปัชาซึ่งเหลียวมามองด้วยระยะเพียงเท่านี้พึงทราบว่า เป็นผู้เดินไม่ห่างนะักไม่คิดนะักก็คือเก้าสองเก้าคนึงก็พอแล้วถ้าอุปชาได้ย า, าครูหรือข้าวสวยในที่พิขาจารแล้วบาดร้อนหรือหนักพึงถวายบาทของตนแก่ท่านรับบาทท่านมาเมื่ออุปชากำลังพูดไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่างอันนี้ก็เป็นมรารยาทสังคมอย่างดีแล้วว่าห้ามพูดแทกห้ามพูดแทกพูดสอดก็แลตั้งแต่นี้ไปในที่ใดๆท่านทาการห้ามไว้ ด้วยน้อักษรที่แปลว่าไม่หรื อ, อยาในที่นั้นทุกแห่งพึงทราบว่าเป็นอาบัตทุกกฏเช่นไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่างนี้ถ้ายังไม่ขอโอกาสใน่พูดสอดขึ้นในระหว่างก็อาบัตทุกกฎอุปชาเก่าวถ้อยคำใกล้ต่ออาบัตพึงห้ามทั้งเสียและเมื่อจะห้ามพึงห้ามโดยเป็นเชิงถามอย่างนี้ว่าพูดเช่นนี้ควรหรือขอรับไม่เป็นอาบัตหรือขอรัพแต่จะทําด้วยตั้งใจว่าเราจะห้าม ไม่ควรพูดว่าพระพูดเท่าท่านอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดทาเป็นเชิงสอนแต่ว่าควรจะถามว่าทำอย่างนี้เหมาะสมไหมครับควรไหมครับถ้าบ้านอยู่ใกล้หรือในวิหารมีพิสุขยห้ควงกลับจากบ้านเสียก่อนถ้าบ้านอยู่ไกลไม่มีใครมากรับอุปชาควรออกจากบ้านพร้อมกับท่านนั่นแหลถ้าบ้านอยู่ใกล้หรือว่าในวิหารมีพิสุขให้ให้รีบกลับมาก่อนก็ได้ มาเตรียมอาสนะหรือว่ามาดูแลที่ตุ้ไข้แต่ถ้าบ้านอยู่ไกลไม่มีใครกลับมากราบอุป च าก็ให้ออกมาพร้อมกับท่านแล้วเอาจีวรออกห่อบบาศพายบารีบมาก่อนแต่กลางทางให้รีบกลับมาก่อนอุปชาก็ได้เมื่อกลับมาถึงก่อนอย่างนี้แล้วพึ่งปูอาสนะเตรียมน้ําล้างเท้าต่างรองเท้าและกระเบืองเช็ดเท้าปัจจุบันนี้ก็เตรียมไว้ก่อนตั้งอาสนะไว้เรียบร้อยเลยกลับเาจะได้เทอาหารแล้วว่าเตรียมฉันกัน พึงลุกขึ้นแล้วรับบาดและจีวรพึงถวายผ้าผาดนุ่งพึงถวายผ้านุ่งผัดพึงรับผ้านุ่งมาถ้าจีวรชุ่มเหงื่อพึงพึงแดดไว้ครัหนึ่งแต่ไม่พึงพึงจีวรทิ้งไว้ที่แดดนานพึงพับจีวรเมื่อจะพับจีวรพึงพับให้เหลือมุมกันสี่นิ้วถามว่าพระเหตุไรตอบว่าที่ทำเช่นนี้ด้วยตั้งใจไม่ให้มีรอยพับตรงกลาง กิงอยู่จีวรที่พับให้มุมเสมอการย่อมหักตรงกลางจีวรที่ชอบช้ำเป็นนิดเพราะพับดังนั้นย่อมชำรุดก็พระผู้มีพระทัยเจ้าตรัสข้อนี้ก็เพื่อป้องกันการชำรุดนั้นเพราะเหตุนั้นในวันพุ่งจีวรจะไม่ชออช้ำเพราะตรงที่หักในวันนี้ด้วยวิธีใดด้วยวิธีนั้นในทุกๆวันปึงพับให้เหลื่อมกันสี่นิ้ว เพิ่งทำประคดไว้ในขนดจีวรนั้นการพับจีวรนี้ก็ไม่ต้องพับให้มีชายเสมอกันให้พับเหลื่อมกันสี่นิ้วสี่นิ้วเราก็ต้องจําไว้ด้วยว่าวันนี้พับสี่นิ้วแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องพับด้านไหนแต่ว่าพับเข้าไปแปดนิ้วก็ได้มันจะได้ให้ตรงกลางหรือไอ้ที่รอยพับทีแรกเนี่ยมันจะได้ไม่ซ้ากันทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าถ้าซ้ํากันทุกวันทุกวันทุกวันจีวรมันก็จะชอกช้ําตรงนั้นแล้วก็ทําให้เปื่อย ก็จะขาดตรงนั้นก่อนนั้นเป็นวิธีที่จะรักษาชีวรก็คือพับให้เหลือมุมกันสี่นิ้วทุกวันถ้าบินบาบมีและอุปชาจะฉันพื้ถวายน้ําแล้วน้อมบินบาบเข้าไปถวายพื้นฐานอุปชาด้วยน้ําฉันเมื่อจะถามพื้นฐางอุปชาซึ่งกําลังฉันถึงน้ําฉันสามครั้งว่าผมจะนําน้ําฉันมาได้หรื อ, อยังขอรับถ้าเวลาพอ เมื่ออุปชาชฉันสรแล้วตนเองจึงค่อยฉันถ้าเวลาจวนหมดพึงตั้งน้ำฉันไว้ที่ใกล้อุปชาแล้วตนจึงฉันเมื่ออุปชาฉันแล้วพึงถวายน้ำรับบาดมาถือตำตำอย่าให้กระทบล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วพึ่งไว้ที่แดดครู่หนึ่งแต่ไม่พึงพึ่งไว้ที่แดดนานก็ต้องรักษาบาดอย่างมาก พึ่งเก็บบาทและจีวรเมื่อเก็บบาทพึงเอามือข้างหนึ่งจับบาทเอามือข้างหนึ่งลูบคลำใต้เตียงหรือใต้ตังก็เอาบาดไปเก็บไว้ได้ตังหรือใต้เตียงแต่ว่าต้องดูก่อนถ้าดูเห็นไม่มีอะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยแต่ถ้าไม่เห็นมันต่ําก็จะต้องเอามือเนี่ยลูบคลำก่อนว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าพเพราะว่าเดี๋ยวบาทไปกระทบกับสิ่งนั้นบาทจะแตกตัวนใหญ่ก็จะเป็นบาทดินแล้วเก็บบาทไม่พึงเก็บบาทบนพื้นที่ไม่มีเครื่องรอง ด้วยบรรณาเครื่องปูราดมีเสื่ออ่อนท่อนหนังเป็นต้นแต่ถ้าพื้นเป็นที่เขาลงรักหรือว่าโบกปูนขาวไม่มีฝุ่นละอองและดินจะวางบนพื้นเห็นปานนั้นควรอยู่จะวางบนพื้นทรายที่สะอาดก็ควรจะวางบนดินร่วนฝุ่นและกรวดเป็นต้นไม่ควรทำให้สกระป๋อด้วยแล้วก็ทำบาดให้สึกด้วยแต่พึงวางใบไม้หรือว่าเชิงบาดบนดินร่วนเป็นต้นนั้น แล้วเก็บบาทบนใบไม้หรือว่าเชิงบาทนั้นเถิดเมื่อเก็บจีวรพึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวรเอามือข้างหนึ่งรูปราวจีวรก็รูปดูนะเผื่อมันจะมีฝุ่นมีอะไรต่างๆหรือว่ามดถ้าเห็นมดอยู่ก็จับมันยากมีหลายตัวก็ใช้ดีดก็ได้ดีดเบาๆแล้วก็รูปไม่ให้มีฝุ่นเกาะหรือสายระเดียงสายระเดียงหรือว่าราวจีวรนั่นแหละอันเดียวกัน แต่ประเดี๋ยวก็จะใช้หวายบ้างใช้อะไรบ้างมาขึงแล้วทําชายไว้ข้างนอกทําขนดไว้ข้างในคือขนจีวรที่รอยพับตรงนั้นเอาไว้ด้านในแต่ว่าชายก็ไว้ด้านนอกแล้วจึงเก็บจีวรคําว่าเอาชายไว้ข้างนอกเอาขนดไว้ข้างในนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อให้สอดมือไปใต้ราวจีวรแล้วค่อยๆพาดด้วยมือซึ่งอยู่ตรงหน้าก็เมื่อจับ สองชายเอาขนดพาดาขึ้นไปบนรางชีวรเป็นต้นขนดย่อมกระทบฝาเพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรทําอย่างนั้นก็คือรักษาจีวรมากชีวรก็บอบบางไม่ได้เหมือนกับสม่นี้เย็ดได้จับเหมืก่อนว่าเย็ดได้มือเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอย่างดีระวังอย่างมากไม่ให้จับแล้วก็พาดขึ้นไปที่รางจีวรเพราะรางจีวรส่วนใหญ่ก็จะอยู่กใกล้กับฝาถ้าพาดไปอย่างนั้นเนี่ยขนดมันก็จะไปโดนกับฝา จะทําให้ขาดมีตะปูมีอะไรบ้างเพราะนั้นให้สอดมือไปข้างใต้แล้วก็จับคนชีวรแล้วก็พับมาตรงหน้าพาดที่ราวชีวรหรือว่าสายระเบียงมาตรงหน้านี้นะครับจะทําให้ไม่ไปกระทบกับฝาถ้าที่นั้นรกก็พึงกว่าที่นั้นเสียถ้าอุปชาประสงค์จะส่งน้ําพึงจัดน้ําส่งถวาย ถ้าต้องการน้ําเย็นพึงจัดน้ําเย็นถวายถ้าต้องการน้ําร้อนพึงจัดน้ําร้อนถวายถ้าอุปชาประสงค์จะเข้าเรือนไฟพึงบดจุรนหรือว่าจนเนี่ยพึงบดจุรนแช่ดินให้เปียกชุ่มถือต่างสําหรับเรือนไฟแล้วเดินตามหลังอุปชาไปถวายต่างสําหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางไว้หนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งซึ่งไม่มีควันไฟพึงถวายจุรนถวายดิน ถ้าอุตสาหะพึงเข้าเรือนไฟเมื่อเข้าเรือนไฟพึงเอาดินทาหน้าปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วเข้าเรือนไฟปวติวการเข้าเรือนไฟนี้ก็จะโปนะก็จะเอามือปิดข้างหน้าข้างหลังหน่อยหนึ่งแล้วก็เข้าไปไม่พึงนั่งเบียดที่ตูผู้เถระไม่ควรห้ามการอาสนะที่ตุใหม่พึงทําบริกรรมแก่อุปชาในเรือนไฟกิดทั้งปวงมีการใส่ทานให้ดินและน้ําร้อนเป็นต้น ชือว่าบริกรรมในเรือนไฟเมื่อออกจากเรือนไฟพึงถือต่างสําหรับเรือนไฟแล้วปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังออกจากเรือนไฟใหม่นิดเรือนไฟเป็นเรือนอบไอ้น้ำแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรเอาไอ้น้ำเข้าไปอบแต่สมัยก่อนนี่เขาใช้ไฟจริงๆเลยเอาไปอบเพราะฉะนั้นก็ร้อนต้องเอาดินทาหน้าทาตัวเข้าไปการเข้าเรือนไฟก็คือช่วยบรรเทาโรคภัยไพ้เจ็บให้เหงื่อออก แล้วก็บรรเทาโรคสารพัดโรคอ้วนไขมันเกินอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้เหงือออกไอรูขุมขนก็จะไม่ไม่บกพร่องก็ทําให้เลือดลมเดินดีนการเข้าเรือนไฟเพื่ออบร่างกายทําให้ช่วยรักษาโรคหมอชีวกเป็นผู้ที่ทูลขออนุญาแตแด่พระพุทธเจ้าให้สิ่งตัวอิ่มไรได้เข้าเรือนไฟบ้างแต่ว่าถ้าไม่เข้าเรือนไฟนี้ก็โรคภัยต่างๆสันอาหารอันประณีต ก, ก็ทําให้ มีโรคภัยแล้วก็ค้วนน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็เข้าเดินไฟก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นพึ่งทําบริกรรมมีการถูอวัยวะน้อยใหญ่เป็นต้นแก่อุปชาแม้ในน้ําอาบเสร็จแล้วเพิงขึ้นมาก่อนเช็ดตัวให้แห้งน้ํานุ่งผ้าแล้วเพิงเช็ดน้ําจากตัวของอุปชาเพึ่งถวายผ้านุ่งพึงถวายผ้าสังขติถือต่างสำหรับเดินไฟมาก่อน ปูอาสนะไว้เตรียมน้ำล้างเทา้าต่างรองเทา้ากระเบื้องเช็ดเทา้าพึ่งถามอุปชาด้วยน้ำฉันจริงอยู่ความกระหาย่อมมีเพราะความร้อนอบอ้าวในเรือนไฟถ้าอุปชาประสงค์จะสอนบาลีให้ก็คือพระไตรปิฎกุทจพ์สาธิวิหาริศก็พึงเรียนถ้าประสงค์จะให้สอบถามอัตกถาก็พึงสอบถามอุปชานก็คือถ้ามาดูแลอุปชาท่านก็ มีเมตตาสอนบาลีพระตรัยิดกัตถะให้พร้อมแล้วก็เรียนกันอุปชาอยู่ในวิหารใดถ้าวิหารนั้นรกถ้าอุสาหะอยู่คือสธิวิหาริกเป็นผู้ไม่เจ็บไข้ด้วยไข้าบางยางพึ่งปัดกวาดเสียจริงอยู่สัิวิหาริกผู้ไม่เจ็บไข้แม้ปรรษาหกสิบก็ควรทำอุปชายาณทุกอย่างเมื่อไม่ทำด้วยไม่เอื้อเฟือต้องอาบัตทุกกเพระวัตถเภท ถ้าไปเจออุปชาเมื่อไหร่ก็จะต้องประพฤติวัดและนิสัยก็ต่อเหมือนเดิมนิสัยจากครูบาอาจารย์ที่เคยถือจากคุบาจารย์ก็ขาดไปส่วนนี้ใส่จากอุปชาก็ต่อเหมือนเดิมก็ต้องประพฤติวัดตลอดชีวิตนั่นแหละและเมื่อสาธิหาริทแม้ผู้เป็นไข้ไปทําการที่ทรงห้ามในบททั้งหลายที่มีอักษรณ์ํำกับอยู่แปลว่าไม่หรือว่ายาก็เป็นอบาบัตทุกข์กฎเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะห้ามไว้ว่าไม่พึงทำอย่างนั้นไม่พึงทำอย่างนี้ ในข้อว่าต่างๆก็จะมีอวบถูกกดเมื่อปัดวาดวิหารพึงขนบาตและจีวอนออกก่อนแล้ววางไว้ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูกหมอนออกวางไว้ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเตียงต่างสัจจิหเริษพึงยกต่างๆอย่าให้คล้วสีอย่าให้กระทบกระแทกบานแนจกรอบศัตู ขนออกให้เรียบร้อยแล้วตั้งไว้นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเขียงรองเตียงกระโถนพนักอิงพึ่งขนออกตั้งไว้ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเครื่องปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมแล้วขนออกวางไว้นที่ควรส่วนข้างหนึ่งต้องดูนี่นะว่าเขาปูไว้ตรงไหนของเดิมเวลาที่ขนกลับเข้ามาแล้วจะได้มาวางไว้ที่เดิมถ้าในวิหารมียาเยื่อพึ่งกวาแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ดเสียถ้าฝาเขาบริกรรมด้วยน้ำมันหรือว่าพื้นเขาทาสีดำขึ้นราพึงเอาผ้าชุบน้ำบิดแล้วเช็ดเสียถ้าพื้นเขาลงรักขึ้นราพึงเอาผ้าชุบน้ำบิดแล้วก็เช็ดเสียถ้าพื้นไม่ได้ลงรักพึงเอาน้ำปะพรมแล้วกวาดเสียโดยคิดว่าระวังอย่าให้วิหารฟุ้งด้วยทุลีนพึงกวาดอย่าเกื่อทิ้งเสีย หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติดูแลวัดถากในเรื่องเสนาสนะของอุปชาอาจารย์อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของจตุวิหาริกที่ต้องปฏิบัติต่ออุปชาแต่ว่าอันเทวสิษฐ์ต้องปฏิบัติต่ออาจารย์ก็ในยะเดียวกันเครื่องราดพื้นพึงพึงแดชําระเคาะปัดแล้วขนกลับมาปูไว้ตามเดิมจริงอยู่เพื่อประโยชน์นี้แหละจึงทรงบัญญัติวัดไว้ว่า สังเกตที่ปูไว้เดิมแล้วคนออกไปวางไว้อย่างที่หนึ่งถ้าเครื่องลาดพื้นนานเป็นของที่คนบางคนไม่เข้าใจได้ปูไว้ก่อนพึงปูให้ห่างฝาโดยรอบสักสองสามนิ้วไม่ต้องปูให้ติดฝาเพราะว่าฝานั้นไม่ได้แข็งแรงฉาบใด้ปูเหมือนสมัยนี้ก็จะเป็นดินเหนียวเป็นโคลหม่มันก็จะหลุดร่วงลงมาปูให้ห่างฝาโดยรอบสักสองสามนิ้ว จึงอยู่อันธรรมเนียมการปูรามีดังนี้ถ้ามีเสือลำแทนแต่ใหญ่เกินไปพึงตัดพับชายเย็บผูกแล้วจึงปูถ้าไม่เข้าใจวิธีพับชายเย็บผูกอย่าตัดเขียงรองเตียงพึงพึ่งแดดขัดเช็ดแล้วขนกลับมาตั้งไว้ที่เดิมเตียงต่งพึงพึงแดดขัดเสียคอเสีย ย, ยกตามๆอย่าให้ตู้สีกระทบบานะกรอบประตู ขนกลับไปให้ดีแล้วตั้งไว้ตามเดิมฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึ่งพึงแดดทําให้สะอาดตกเสร็จแล้วนํากลับมาวางไว้ตามเดิมกระโถนพนักอิงพึงพึงแดดเช็ดถูเสร็จแล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิมพึ่งเก็บบาทจีวรเมื่อเก็บบาทพึงเอามือข้างหนึ่งจับบาทเอามือข้างหนึ่งลูกทำใต้เจียงหรือว่าใต้ตังจึงเก็บบาท แต่ไม่พึงเก็บบาดบนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อเก็บจีวรเพึงเอามือข้างหนึ่งถือชีวรเอามือข้างหนึ่งรูปราวจีวรหรือสายตะเดียมแล้วทําชายไว้ข้างนอกทําขนดไว้ข้างในแล้วเก็บจีวรถ้าลมเจือด้วยผงธุรีพัดมาแต่ทิศตนออกพึงปิดหน้าต่างทางด้านทิศตะวันออกหรือฝุ่นมาด้านไหนก็ปิดหน้าต่างด้านนั้นนั่นแหละถ้าพัดมาทางทิศตะวันตกพึงปิดหน้าต่างทิศตะวันตก ถ้าพัดมาทางทิศเหนือก็พึงปิดหน้าต่างทางด้านทิศเหนือถ้าลมเจือด้วยผงทุเีพัดมาแต่ทิศใต้พึงปิดหน้าต่างด้านทิศใต้ถ้าฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวันกลางคืนพึงปิดฤดูหนาวว่าเปิดหน้าต่างไว้เพื่อจะรับแสงแดดแสงแดดนเข้าไปทางช่องหน้าต่างกลางคืนก็ปิดเสียไอร้อนไออุ่นจะได้ไม่ออกไป ถ้าฤ ด, ดูร้อนพึงปิดหน้าต่างกลางวันเพราะว่าความร้อนจากแดดจะได้ไม่เข้าไปข้างในแต่ว่ากลางคืนก็พึงเปิดเสียเพราะว่าความเย็นจากภายนอกจะได้เข้ามาภายในกุฏิหรือว่าถ้าภายในกุฏินั้นมีความร้อนออก้าวอยู่ก็จะได้ระบายออกไปภายนอกถ้าบริเวณตุ่มน้ำโรงฉันเรือนไฟวัดจักกุดีรกพึงปัดกวาดเสียพึงจัดตั้งน้าฉันน้าใช้ไว้พึงตั้งน้าเอาไว้ในหม้อสาหรับชาระด้วย ถ้าความไม่ยินดีเกิดขึ้นแก่อุปชาสัตว์ทวิหาริกพึงนําท่านไปที่อื่นอุปช า, าจาร์บางครั้งก็อายุนิสงนิสการความไม่แยบคายเกิดขึ้นก็มีเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านไม่ยินดีหรือบางครั้งกระสันก็ได้เพราะฉะนั้นสัตว์ที่วิหาริศก็ต้องนําท่านไปที่อื่นไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศต่างๆหรือวันพิกตุอื่นว่าขอท่านยังช่วยพาพระเถระไปที่อื่นเถิดหรือพึงทำธรรมกถาแก่อุปัชานั้น ถ้าความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นแก่อุปชาตสาธิวิหาเรเลกพึงช่วยบรรเทาหรือวานทิสุอื่นช่วยบรรเทาหรือพึงทำธรรมกถาแก่อุปชาถ้าความเหตุผิดบังเกิดแก่อุปชาสาธิวิหาเรเลกพึงให้สละเสียหรือวานทิสุอื่นว่าขอท่านช่วยพูดให้พระเถระสละทิฏฐีเถิดหรือพึงธทำธรรมกถาแก่อุปชาเพราะฉะนั้นถ้าอุปชาเป็นความผิดนี่ก็จะต้อง ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้อุปชาทึ่งเปลือหมองกพ่อของลูกศิษย์กลับมาเห็นถูกให้ได้อาจจะวานพระภิสุอื่นให้ท่านช่วยพูดธรรมะโดยตอนเองจะพูดธรรมะคาถาให้อุปชาฟังก็ได้ถ้าอุปชาต้องอาบัตนะิหนักควรแก่ปริวาสาธิวิหาริย์พื่อทาความขวนขวายว่าทําอย่างไรสงจึงจะให้ปริวาสแก่อุปชาของเรา ทิศสูนั้นอานสัตวิหาริย์เข้าไปหาสง์ขอร้องเพื่อให้ปริวาท้าสัตยิหาริยเป็นผู้สามารถด้วยตนพึงให้ปริวาได้ตนเองถ้าไม่สามารถถึงวันที่ตัวอื่นให้ช่วยก็คือช่วยสวดประกาศให้ปริวาเนี่ยเองถ้าอุปชาเป็นผู้ควรแก้มู ล, ลายะปฏิการนาก็คือชักข่าห า, าบัดเดิมบัดสังการนิเศษแล้วก็อยู่ปริวายังต้องอาบัดสํานานิเศษซ้ําเดิมอีกให้รือวันเก่าที่นับไปแล้วนับใหม่ ทำกรรมใหม่เรียกว่ามู ล, ลังอญญายะปฏิการนาชักขหาบัตรเดิมควรแก่มานาะสหมายึงว่าควรแก่อภานพึ่งทํากา ร, วรขวนขวายตามไหนที่กล่าวแล้วนั่นแลถ้าสงประสงค์จะทํากรรมแก่อุปาชาก็คือตัดชัติยกรรมหมายถึงตําหนิติโทษ ต, ต่างๆนิยปกรรมก็ลดยศปลดตําแหน่งปภาชัติยกรรมก็หมายถึงว่าขับไล่ออกจากวัดปฏิสารานิยกรรมก็ให้ไปขอโทษเพื่อหัดหรืออุเคปานิยกรรมก็ แยกจากหมู่ไปเลยเขาเรียกว่ายกวัดไม่ให้ฉันร่วมไม่ให้นอนร่วมไม่ให้โลงสังฆกรรมร่วมสาธิหาริกพึงทําความขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงจึงจะไม่พึงทํากรรมแก่อุปชาหรือสงพึงน้อมไปเพื่อกรรมสถานเบาจึงอยู่สาธิหาริกนั้นได้กราบว่าสงปรารถนาจะทําอกเหตุปณิยกรรมแก่อุปชาของเราพึงเข้าไปหาทีและรูปอ้อนวอนว่าขออย่าทํากรรมแก่อุปชาของกระผมเลยครับ ถ้าพิสูจน์ทั้งหลายจะทํากันจริงๆพึงอ้อนวอนว่าขอท่านจงทํากรรมสถานเบาคือตัชนฉยกรรมหรือนิยตกรรมเถิดถ้าพิสูจน์ทั้งหลายยังทําอยู่นั่นแหละทีนั้นพึงอ้อนวอนพระอุปชาว่าขอจงกลับประพืชชอบเถิดขอรับครั้นอ้อนวอนให้ท่านกลับประพืชชอบได้อย่างนั้นแล้วก็อ้อนวอนพิสูจทั้งหลายว่าตลดระนับกรรมเถิดขอรับ เพราะฉะนั้นต้องช่วยอุปชาอระชาหลงผิดเป็นชอบไปหรือว่าต้องอบันหนักอะไรทนี้ก็ต้องเข้าไปคอยช่วยทำยังไงกรรมนั้นจึงจะเบาลงเบาลงถ้าจีวรของอุปชาจะต้องซักสาธิวิหาริสพึงซักหรือพึงทําความขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครพึงซักจีวรของอุปชาถ้าจีวรของอุปชาจะต้องทําถ้าน้ําย้อมของอุปชาจะต้องต้ม หรือจีวรของอุปชาจะต้องยอมสาธิวิหาริกพึงทำกิจทั้งปวงหรือพึงทำความกวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงย้อมจีวรของอุปชาเมื่อจะย้อมจีวรพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดีๆเมื่อหยาดน้ำย้อมยังหยดไม่ขาดสายไม่พึงหลีกไปก็จะต้องดูนะว่าน้ำเนี่ยหยดขาดสายทุกอย่างถ้ายังไม่หยดขาดสายก็ต้องดูแลเพราะว่าจีวรสมัยก่อนเ น, นบอเบาบาง อาจจะมีอันตรายมีมแมลงมีอะไรต่างเห่านี้มากัดกินอะไรต่างก็ต้อคอยดูแลสาธิมหาริกไม่บอกอุปชากรไม่พึงให้บาแก่พิกสุบางรูปอันนี้ก็หมายถึงให้บาแก่พิกสุที่เป็นวิสภาคะก็ะคือไม่ถูกกันกับอุปชาไม่ถูกกันคือไม่ถูกส่วนกับอุปชาเรียกว่าวิสภาคะไม่พึงรับบาของพิกสุบางรูปไม่พึงให้จีวรแก่พิกสุบางรูปไม่พึงรับจีวรของพิกสุบางรูป ไม่พ Nokia ึงให้บริขารแก่พิสูจนบางโรคไม่พึงรับบริขารของพิสูจนบางโรคไม่พึงปลงผมแก่พิกูจนบางโรคไม่พึงให้พิสูจนบางโรคปลงผมให้ไม่พ <stone> wow okay, ึงทําบริกรรมแก่พิกูจนบางโรคไม่พ <t transition> ึงให้พิสูจนบางโรคทําบริกรรมไม่พึงทําความขวนขวามแก่พิสูจนบางโรคไม่พึงให้พิสูจนบางโรคทําความขนขวายให้ไม่พึงเป็นปัจฉาสมณะของพิสูจนบางโรคไม่พึงให้พิสูจนบางโรคเป็นปัจฉาสมณะไม่พึงนําบินบาบมาให้พิสูจนบางโรค ไม่พึงให้ทิสุบารโรปนำบินทบาทไปให้เพราะว่าถ้าเกิดไปกระทำกับทิสุที่เป็นวิสภาคัส ก, กับอุปชาอุช า, ชาก็อาจจะไม่ถอนธรรมะให้ไปเป็นพวกกับคนที่ไม่ถูกกับอุปชานั้นก็ไม่ควรที่จะไปกระทำอย่างนี้ไม่ลาอุปชาก่อนไม่พึงเข้าบ้านสาธิวิหาริผู้ปรารถนาจะไปบินทบาดหรือกรณียกิจบางอย่างพึงบอกลาก่อนแล้วจึงไป ถ้าอุปชาลุกขึ้นแต่เช้าโตรประสงค์จะไปเที่ยวพิขาจา์ไกลพึงสั่งว่าพวกพิโโนมจงเข้าไปบินตาบาตเถิดแล้วถึงไปเมื่ออุปชาไม่ได้สั่งไว้ไปเสียถัดทิพาริกไปถึงบริเวณไม่เห็นอุปชาจะเข้าบ้านก็ควรถึงแม้ไม่ได้สั่งไว้แต่ว่าไปถึงบริเวณที่จะเอาบินบาตแล้ะไม่เห็นอุปชาอุปชาไปแล้วอันนี้จะเข้าบ้านไปก็ควร ถ้าแม้กําลังเข้าไปในบ้านพบเข้าควรบอกลาตั้งแต่ที่ที่พบทีเดียวอันนี้ก็ต้องบอกลาวิชาด้วยแม้ว่าเป็นในกาลก็ตามแต่ท้าในวิการยังมีสิกขาบทอีกข้อหนึ่งก็คือเข้าไปในระแวกบ้านโดยที่มีวิกจุอยู่แล้วไม่บอกลาต้องอบัตรปาจิ ต, ตีนั้นเป็นเวลาวิการเข้าไปในระแวกบ้านในเวลาวิการถ้าเวลานิกจุที่มีอยู่อันนี้ก็ต้องอบัตรปายิ ต, ตี แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นวิการหรือว่าในการก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ที่ถือนิสัยอยู่กับอุปชาดก็จะต้องบอกลาหมดเลยถ้าเข้าบ้านเมื่อไหร่ก็ต้องบอกลาตลอดพระอุปชาเข้าไปในบ้านก่อนถ้าเข้าไปแล้วไปพบในบ้านก็ควร บ, บอกลาตั้งแต่ที่ที่พบทีเดียวสาธิวิหาริกไม่บอกลาอุปัชาก่อนไม่พึงไปป่าช้าไม่พึงผลีไปสู่ทิศเพื่ออยู่หรือเพื่อต้องการจะดูอสุภะ สาที่วิหารผู้ประสงค์จะหลีกไปใหเพึงบอกกิจการแล้วอ้อนวอนเพียงสามครั้งก็คือถ้าจะไปประชา้าก็ต้องขออนุญาตถ้าจะไปกิจการอื่นๆไปที่อื่นก็ต้องบอกด้วยนะว่าเพียงจิตอะไร ถ, ถึงจะไปแล้วอ้อนวอนสามครั้งถ้าท่านอนุญาตก็เป็นอันสำเร็จถ้าท่านไม่อนุญาตเมื่อเธออาศัยท่านอยู่อุทเทศก็ดีปริพุชานก็ดีปริพุชาหปายถึงอรตถกาถาอุเทศหมาถึงพุทธพจน์ กา ร, รมุปถัมภ์ก็ดีไม่สําเร็จเพราะอุปชาเป็นคนโง่ไม่เฉียบแหลมไม่ยอมให้ไปเช่นนั้นจะเพราะมุ่งหมายจะให้อยู่ในสํานักของตนถ่ายเดียวที่ไม่ให้ไปก็อยากจะให้อยู่อุปถัมภุปถามตนเองเมื่ออุปชาเช่นนั้นแม้ห้าจะขืนไปก็ควรถ้าอุปชาเป็นคนโง่เขาไม่สอนอะไรให้เลยทั้งพระไตรปิฎกอธิษฐาบาลีอะไรต่างก็ไม่สอนให้เป็นคนเขลา แล้วก็ยังจะต้องให้อยู่คอยดูแลอุปธรรมอุปทาอย่างนี้ก็แม้ท่านไม่อนุ ญ, ญ, ญาตก็ไปไม่มีโทษนะถ้าอุปชาอภาย พ, าพึงอุปถาตลอดชีวิตพึงรอจนกว่าท่านจะหายไม่พึงหลีไปที่ไหนๆถ้าทิ่ตัวอื่นผู้คอยอุปถามีอยู่พึงหายามามอบไว้ในมือของเธอแล้วเรียนท่านว่าทิตัวรูปนี้จากอุปถาท่านครับแล้วจึงไป อุปชัยวัดนี้มีเพียงเท่านี้ก่อนอันนี้ก็เป็นอุปชายวัดเรื่องสาธิวมหาริกผู้เป็นลูกศิษย์อุปชาบวชให้ก็จะต้องดูแลอุทำอุทาอุประชาตลอดจนกว่าจะไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้ากลับมาแล้วเจออุปชาก็ต้องทําวัดปฏิบัติอะไรตลอดอีกนิสัยก็ติดเหมือนเดิมถ้าอุปชาป่วยก็ต้องดูแลตลอดชีวิตในทากลับการบูชาก็ต้องดูแลลูกศิษย์อย่างนี้เมื่อเวลาลูกศิษย์ป่วยแต่ถ้าไม่ป่วย ก็ให้ร่ําเรียนให้ศึกษาแนะนําท่าสอนพระพุทธพจน์อัจฉริยะเท่านั้นแหละก็ขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีข้อวัดอันงดงามแล้วก็น้อมไปในการที่จะปฏิบัติอธิศีลัสิกขาที่กิตตสิกขาอธิปัญญาสิากขาเพื่อความรุ่งเรืองเจริญในธรรมวินัยที่พระพุทธมีพระพางเจ้าตรัดไว้ดีแล้วขอให้ท่านบรรลุอริยสัจธรรมกระทําที่สุดถึงวัฏฏทุกโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ